จนสามารถเกิดนิมิตได้ตรงกันหลังจากปรึกษาหารือกันแล้วจึงแจ้งความจำานงให้บุตรสาวทราบบังเอิญคนขับรถประจำตำแหน่งของท่านผู้ว่าขอลากลับบ้านเพื่อไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวจึงตกเป็นหน้าที่ของคุณนายที่จะต้องสงเคราะห์บิดามารดาเป็นการสงเคราะห์ที่เจ้าตัวเต็มใจอย่างยิ่ง ผู้คนมาวัดกันมากมายตั้งแต่เด็กอายุ 8-9 เก้าขวบไปจนถึงคนชราและส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงผู้ผู้ชายคงจะพากันไปกินเหล้าฉลองปีใหม่เพลินอยู่จึงไม่ยอมมาวัดบรรดาแม่ครัวต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพราะแขกเรือทยอยกันมาไม่ขาดระยะเว้นแต่ผู้ที่มาปฏิบัติกรรมฐานซึ่งพวกเขา ไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นเวลาย0สิบนาฬิกาทุกคนไปรวมกันในพระอุโบสถและทำวัดเย็นร่วมกับพระภิกษุทั้งวัดจากนั้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วพระภิกษุและครือขัดปฏิบัติกรรมฐานจนถึงเวลา23นาฬิกาปฏิบัติกรรมฐานเสร็จจึงพร้อมใจกัน แผ่เมตตาไปยังสปปรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรใกล้เวลาเที่ยงคืนคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักไปจนถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่หลังจากนั้นพระภิกษุและครือัดธรรมัดเช้าร่วมกันเป็นการต้อนรับวันใหม่ที่เท่าแก่สิงห์และคุณกิมง้อไม่เคยประสบมาก่อนคนทั้งสอง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 ผู้หญิงอายุประมาณ40กำลังคว้างแก้วใส่ผู้ชายไว้เดียวกันฝ่ายนั้นหลบอุดตลดกระทั่งพวกแม่ครัวมาช่วยกันยื้อยุดหล่อนเอาไว้ปล่อยกูนะกูจะไปฆ่ามันหล่นตะโกนและดิ้นรนจะเย็น็ค่ะคุณนายนี่ในวัดนะคะไงก็เกรงใจหลวงพ่อท่านมั่งนางบุญรับตื่นสติคนที่นั่งอยู่ในกุฏิ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 ตามด้วยพัญญาผู้วราชการจังหวัดคนแรกเข้ามานั่งข้างๆสามีพลังนึกในใจว่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะาเราถูกด่าฉลองปีใหม่แต่เช้าสวยชะมัดคุณนายดวงสุดาไม่ถึงกับเข้ามานั่งเพราะอยากรู้หล่อนจึงเดินไปด้อมๆมองๆ อ, อยู่แถวๆประตูหลังกุฏิผู้หญิงคนนั้นสะบัดแขนอย่างแรงจนหลุดจากการเกาะกลุ่ม หล่อนวิ่งไปคว้าไม้ได้ท่อนหนึ่งจึงตรงเข้าไปหาคนเป็นสามีฝ่ายนั้นรีบวิ่งไปที่รถเกง๋งไขกุญแจเข้าไปนั่งประจําที่คนขับได้อย่างวุ่นวิตคนเป็นเมียกลด่าหยับหยับใครายใช้ไม้ทุบ ก, กระจกหน้ารถจนกระจกร้าวเป็นทางหล่อนกระชากที่ปัดน้ําฝนรถออกมามันบาดมือหล่อนจนเลือดแดงฉาน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 ผู้พันอย่าชนข้ายาพวกแม่ครัวร้องเสิงหลงคนหนึ่งวิ่งไปยืนคู่กับหญิงคนนั้นคิดว่าคนขับคงไม่กล้าชนบ้าถอยออกไปไม่งั้นผมชนนะเขาเปิดประตูตะโกนบอกแล้วรีบปิดเตรียมพร้อมจะออกรถผู้หญิงบ้าคลั่งกระโดดขึ้นไปยืนราบนกระโปรงหน้ารถใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่า ป้าไปรีบคุณนายลงมาเถอะประเดี๋ยวผู้พันแ ก, กแกล้งขับเร็วๆคุณนายก็ตกลงมาคอหักตายหรอกเฮ้ยใครมันจะฆ่ามีได้ลงคอวะลูกเต้าก็มีด้วยกันโน่นยืนตัวสั่นเ ง, งนงกอยู่โน่นป้าหรือนางบุญรับชี้ไปที่เด็กหญิงอายุประมาณ 6-7 เจขวบที่ยืนอยู่กับพี่เลี้ยงคุณนายดวงสุดามองไปที่เด็กทั้งสองซึ่งยืนห่างจากหล่อนประมาณสามวา หน้าตาท่าทางของแกดูตื่นระหนกหัวใจดวงน้อยคงแทบจะแหลกสลายเพราะการกระทําของพ่อกับแม่คุณนายไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดสองคนนั่นจึงทำร้ายจิตใจลูกได้ถึงปานนี้สิ่งแม่ครัวคนที่สาวกว่าบอกนางบุญรับอีกว่าเร็วๆสิป้าไปเอาตัวคุณนายลงมาหน่อยฉันว่าผู้พันแกกล้าฆ่าคุณนายนะ ผู้ชายที่กําลังหลงเมียน้อยนะ่ะข้ามีหลงได้นะป้าถ้าอย่างนั้นพวกเองก็ไปช่วยข้าน้อยไปเร็วๆ เ, เ, เข้านางชักชวนพักพวกพลางวิ่งนําไปที่รถผู้ชายคนนั้นกําลังเคลื่อนรถออกป้าคนที่ไปยืนขวางรีบพาตัวเองหลบออกมาด้วยโกรธตายผู้หญิงบ้าคลั่งที่ยืนร๋าอยู่บนกระโปรงรถก็เปลี่ยนเป็นนั่งยองๆ พันหน้าเข้าหาคนขับชี้หน้าด่าเปล่าๆสลับกับเสียงกรี๊ดกรี๊ดแสบแก้วหูนางบุญรับวิ่งไปเคาะกระจกด้านคนขับโกหกหน้าตาเฉยว่าผู้พันหยุดก่อนหลวงพ่อเรียกผู้พันเหยียบเบรกหากยังไม่ยอมลงมาจากรถเพราะกลัวภรรยาคุณนายลงมาเถอะข้าหลวงพ่อท่านเรียก นางบอกผู้หญิงที่กำลังบ้าคลัง่งสงสารหล่อนจับใจเพราะรู้เรื่องราวของหล่อนเป็นอย่างดีผู้พันทำร้ายจิตใจหล่อนเกินไปอาถานควงเมียน้อยมากราบอวยพรหลวงพ่อทั้งที่รู้ว่าจะมาพบหล่อนที่นี่แล้วเมียน้อยก็ใช่ใครที่ไหนเป็นเพื่อนรักเพื่อนคล้ายของหล่อนนั่นเองอุตสาพามาเข้ากรรมฐานกินด้วยกัน นอนด้วยกันอยู่ที่วัดนี้แล้วจุจุก็มากลายเป็นเมียน้อยของผัวหล่อนหากนางบุญรับเป็นหล่อนก็คงแค้นแทบกระอักเหมือนกันได้ยินว่าลุงพ่อเรียกคุณนายราสีก็ได้สติหล่อนหยุดด่าและหยุดร้องกรีดกรีตดกระโดดลงจากกระโปรงรถอย่างระมัดระวงังแล้วเดินเซื่องๆเข้าไปในกุฏิพันเอกประวิทร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 พยายามสงบสติอารมณ์อย่างที่สุดครั้นเห็นหน้าผู้เป็นสามีความข้างแค้นประดังขึ้นมาอีกหล่อนคว้าได้ถ้วยน้ำชาก็คว้างไปที่ใบหน้าของเขาถ้วยกระเบื้องปะทะเข้าตรงหน้าผากอันล้านเลี่ยนยังผลให้มันบ ว, วมปูดเขียวปัดขึ้นในพริบตาพันเอกวัยสีสิบมีอาการเลือดขึ้นหน้าเข้าตรงเข้าหาพันยา แล้วตกหน้าหลอนไปหลายทีจนหน้าซีดเซียวนั้นหันซ้ายหันขวาไปตามแรงตกคนที่นั่งรออยู่ลุกขึ้นห้ามผู้ผู้ชายจับตัวผู้พันพวกผู้หญิงจับตัวคุณนายราศีกุติอันเงียบสงบของท่านพระครูจึงกลายเป็นโรงงิ้วไปตามหลวงพ่อลงมาเร็วๆ เ, เข้าข้าหาบดีสั่งนายสมชาย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 หากนายสมชายก็ยังอุตสามีแก่ใจสร้างอารมณ์ขันห้อมไม่ได้หรอกสมชายเรื่องของผัวเมียฉันไม่กล้าเข้าไปยุ่งหรอกท่านพูดด้วยสิ่งปกติไม่ตื่นเต้นไม่ยินดียินร้ายเพราะจิตของท่านมั่นคงแล้วไม่วันไหวสั่นคลอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แล้วถ้าเขาเกิดฆ่ากันตายในกุติหลวงพ่อละ่ะเรื่องม่ดังไปถึงในไหนหรือเด็กหนุ่มมีท่าทีกังวลไม่ถึงอย่างนั้นหรอกสมชายถ้าเขาตีกันอยู่ที่กุติชั้นหรืออยู่ในบริเวณวัดป่ามะ ม, ม่วงเขาจะไม่ตายเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แต่ถ้าพ้นเขตวัดไปเมื่อใดรับรองว่า ตายทั้งคู่สองคนนี้กำลังชะตาขาดถ้าเธอกลัวเขาตายก็ลงไปดูลาดเหล่าก็แล้วกันอย่าให้เขาออกนอกเขตวัดท่านสั่งเสียงเรียบลูกศิษย์ก้นกุฏิจึงจำต้องลงมาข้างล่างเมื่อเขาเปิดประตูออกมาทุกคนก็ชะเง้อมองด้วยคิดว่าเป็นท่านพระครูการตลุมบอลของสองสามีพัญญา ก็ชะงักลงประเดี๋ยวหลวงพ่อจะลงมาเขาบอกทุกคนในที่นั้นได้ยินว่าหลวงพ่อจะลงมาคุณนายราศีก็หยุดอาวาดนายสมชายจัดการหายอยู่ยามาทำแผลให้หล่อนแผลซึ่งถูกที่ปัดน้ำฝนบาดผู้ผู้ชายก็หายาหม่องมานวดหน้าผากบริเวณที่ปูดโปออกมาให้พันเอกประวิทย์คุณนายดวงสุดา ใจเต้นไม่เป็นสัาตลอดเวลาที่เกิดเหตุการณ์ส่วนบิดามารดาของหล่อนเพียงแต่ตกใจเล็กน้อยด้วยได้ฝึกจิตไว้ดีแล้วครูใหญ่ใหญ่ท่านพระครูจึงเปิดประตูออกมาทุกคนต่างทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งท่านเดินไปนั่งอย่างอาสนะพันเอกประวิทย์และพันญานั่งหมอบอยู่ต่อหน้าท่านคุณนายราสี ร้องไห้กระซิบกระซิบมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันก็ได้ทําไมถึงต้องลงไม้ลงมือกันท่านพูดเสียงเบาจนเกือบเป็นกระซิบด้วยต้องการให้ได้ยินกันเพียงสามคนลุงพ่อคะหนูทนไม่ไหวแล้วเขาทาร้ายจิตใจหนูทําร้ายจิตใจลูกคุณนายราสีพูดเสียงป่นสะอื้น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 คนอื่นที่ไหนกันเพื่อนคุณนายไม่ใช่หรืออาตมาเคยเห็นเข้ามาเข้ากรรมฐานกับคุณนายอยู่กุฏิเดียวกันอีกด้วยนั่นสิคะเพราะอย่างนี้หนูถึงได้แค้นใจมากทั้งเพื่อนทั้งผัวรวมหัวกันทรยศหล่อนสะอื้นฮักฮักที่มันทรยศผมละครับหลวงพ่อ เวลาผมไปรอชจา ก, การต่างจังหวัดมันก็เอาคนขับรถเข้าไปนอนในห้องแทนผมท่านพระครูอยากรู้ความจริงว่าคุณนายราศีประพฤติเช่นนั้นจริงๆหรือว่าพันเอกประวิทธ์คิดมากไปเองท่านจึงใช้เห็นหนอ่อตรวจสอบแล้วเห็นหนอก็รายงานว่าพันเอกวัยสี่ตั้งใจใส่ร้ายพัญญา เพื่อให้ท่านพระครูจะได้เห็นอกเห็นใจที่เขาต้องทำผิดนายทหารผู้นี้มีจิตเป็นอกุศลหยาบช้าลามกประพฤติชั่วทั้งที่นับถือพระเป็นเรื่องนา่าเวทนานักหากว่าเขาได้เป็นใหญ่เป็นโตในการข้างหน้าก็จะเป็นพิษเป็นภยัยต่อชาติบ้านเมืองอย่างมหันต์ทีเดียวคุณนายราศีไม่แก้ข้อกล่าวหานั้น หล่อนรู้ดีว่าท่านพระครูรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยที่หล่อนไม่จําเป็นต้องอธิบายหลุมพ่อคะหนูเจ็บใจตัวเองเหลือเกินคะ่ะเจ็บใจที่เลือกคนผิดหนูผิดเองคะ่ะไม่รู้ว่ากรรมเวรอะไรของหนูหล่อนสะอึกสะอื้นก็เลือกสมัยให้ถูกสิได้โอกาสแล้วนี่ใช้ชู้มึงไงไอคนขับรถกูนะ่ะเอาเถอะกูยกให้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 คุณนายอาตมารู้สึกเสียใจเหลือเกินเสียใจแทนคุณนายที่อุตสามาเข้ากรรมฐานหลายๆครั้งครั้งละหลายวันแต่ไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาทีวิตอุตสารมาฝึกสติแต่กลับแสดงออกเหมือนคนขาดสติไม่น่าเลยเสียชื่อลูกศิษย์วัด ปอมมะม่วงหมดท่านพระครูลงทุนเทศนาคุณนายราศีรู้ว่าหล่อนรับได้พันเอกประวิตรรู้สึกสะใจและนึกสมน้ำหน้าคนเป็นพัญญาที่ถูกเทศฉลองปีใหม่แสดงว่าลุงพ่อท่านเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเขาไม่รู้ดอกว่าท่านพระครูจะไม่สั่งสอนบุคคลที่ รับไม่ได้และท่านก็จะไม่พูดให้เขาต้องเสถือนใจชายวัยสี่สิไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ในประเภทอเวนยสัตว์หลวงพ่อคะได้โปรดช่วยหนูด้วยช่วยให้หนูพ้นจากสภาวะที่แสนทรมานนี้เสียทีได้โปรดเธอคะ่ะสตรีวัย4ี่อ้อนวอนอาตมาช่วยได้ก็เพียง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 ไปรองดูนะคุณนายเป็นถึงครบูบาอาจารย์มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมปัญหาชีวิตแค่นี้คุณนายเอาชนะมันได้อาตมาขอพูดสั้นๆว่าถ้าเราทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งก็ไม่มีใครมาทำร้ายจิตใจของเราได้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 แย่จังนะครับหลวงพ่อกรรมของผมเหลือเกินที่ต้องมามีเมียวิปริตผิดมนุษย์เช่นนี้ท่านพระครูไม่ออกความเห็นเพราะคนที่พูดอย่างนี้น่าจะเป็นคุณนายราศีมากกว่าคนที่มาด้วยเมื่อตอนเช้าไปไหนเสีหละท่านเลี้ยงไปถามถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งคนที่พันเอกประวิทย์กำลังลุ่มหลงอย่างหนะัก ผมพาหลบไปไว้ที่สำนักถีครับไม่งั้นยายราศีอารวาดตายวัดป่ามะม่วงเลยกลายเป็นที่เล่นซ่อนหาว่างั้นเถอะครับก็สนุกตื่นเต้นดีเขากลับเห็นเป็นเรื่องสนุกท่านพระครูรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเป็นกําลังจึงบอกกับเขาว่างั้นก็ไปพากลับบ้านกลับช่องเสียประเดียว คุณนายราสีมาพบเข้าก็จะเกิดเรื่องอีกป่านนี้คงนั่งร้องไห้ขี้มุกโป่งแล้วคนนี้เขาขี้แยกครับหลวงพ่อแต่นิสัยดีมากดีจริงๆรยายราสีเทียบไม่ติดเลยถ้าดีจริงคงไม่แย่งสา ม, มีเพื่อนซึ่งซึ่งนาอย่างนี้หรอกท่านพระครูอยากจะพูดเช่นนี้หากท่านก็ไม่ได้พูดเพราะเห็นว่า ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านลวงพ่อคะหนูไม่กล้ามาเข้ากรรมฐ า, านแล้วล่ะคะ่ะคุณนายดวงสุดาพูดขึ้นหลังจากนายทหารผู้นั้นลุกไปแล้วอะไรทำให้คุณนายคิดอย่างนั้นละ่ะก็หนูไม่อยากเป็นแบบคุณนายราศีนสิค้ะแล้วก็ไม่อยากเป็นอย่างเพื่อนเธอด้วย อุตสาห์พากันมาอยู่วัดและคนหนึ่งก็ออกนิ้วอีกคนก็แย่งสามีคนอื่นหน้าตาเฉยหล่อนว่าคนอื่นคนไกลที่ไหนล่ะคะเพื่อนเพื่อนกันแท้ๆไม่น่าทำเลยนางกิมเองแยง้งหล่อนยิ้มให้คุณนายดุงสุดาอย่างเป็นมิตรกิมเองมันไม่ใช่เรื่องของเรานนะอย่าลืมว่าเธอกำลังปฏิบัติกรรมฐานนะ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 หลวงพ่อรู้เรื่องนี้ดีกว่าผมกรุณาอธิบายให้คนอื่นเข้าใจด้วยครับเขาขอร้องท่านพระครูท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดขึ้นว่าเอาละญาติโยมที่รักทั้งหลายที่โยมเท่าแก่พูดมานั้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการอาตมาจึงขอยืนยันว่ากรรมฐานไม่เคยทำให้ใคร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 และหมดไปในที่สุดเพราะฉะนั้นราบใดที่เขายังไม่บรรลุธรรมขั้นใดเลยเขาก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนเหมือนกับคนทั่วๆไปที่ยังมีรักโลภโกรธหลงจึงอาจถูกกิเลส ช, ชักพาไปในทางเสื่อมได้หลวงพ่อครับวัดป่ามะม่วงเนี่ย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 ตายทั้งคู่แล้วปีหน้าจะมีอีกไหมครับผมจะได้มาดูอีกไม่มีแน่อันนี้อาตมารับรองนี่ยังดีนะคนมาตีกันในวัดก็ยังดีกว่าพระในวัด ต, ตีกันเองเสียงหัวเราะดังขึ้นท่านจึงย้ำอีกว่าอา้าวจริงจริงนะอาตมา ไม่ได้พูดเล่นแต่ไม่ใช่พระวัดนี้หรอกวัดที่กรุงเทพอย่าให้ออกชื่อเลยประเดียวจะหาว่าเอาเขามาวิจารณ์เมื่อเร็วๆนี้เองอาตมาเข้ากรุงเทพเพื่อจะไปพบท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งไปถึงเห็นท่านกำลังดุพระลูกวัดอยู่ไม่ทราบดุอีท่าไหน พระรูปที่ถูกดุต่อยเปรี้ยงเข้าที่ใบหน้าถูกปากครึ่งจมูกครึ่งท่านเจ้าคุณสลบทันทีหงายผึ่งลงไปนอนเลยท่านเล่าเหตุการณ์ที่เห็นมากับตาแล้วพระรูปนั้นทำยังไงครับเห็นท่านเจ้าคุณสลบแล้วท่านทำยังไงชายคนนั้นถามอีกท่านยังไม่ทันได้ทำอะไร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 เพราะไม่อยากไปเป็นพยานที่โรงพักพระลูกวัดพวกนั้นพอซ้อมเขาสลบแล้วยังพาส่งโรงพักอีกในข้อหาทำร้ายร่างกายท่านเจ้าคุณลุงพ่อก็เลยไม่ได้พูดธุรากับท่านจะพูดยังไงเล่าก็เขากำลังมีเรื่องไม่น่าถามแล้วท่านเจ้าคุณถึงกับมรณภาพไหมคะ คุณกิมง้อถามไม่รกโยมแค่หมัดเดียวผมว่าท่านอาจกแกล้งสลบก็ได้แกล้งทำเป็นสลบเพื่อให้ลูกน้องแก้แค้นแทนนายต่อหายง่วงและพูดขึ้นอย่างที่ใจคิดหนูอย่าไปว่าพระว่าเจ้าบาปนะหนูบาปท่านพระครูปรามด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม รู้ว่าเจ้าขุนรูปนั้นท่านสลบไปจริงๆโดยไม่ได้เสแสร้งก็เห็นหนอบอกอย่างนั้น